ก็เรียนให้เข้าใจก็ไม่ง่ายไม่ต้องกล่าวถึงการเจริญเนี่ยนะ น, น, น, นึกไม่อกอกเขาบอกว่าแค่ฟังก็ยังจะเข้าใจยากจะปวยกล่าวปรปยัยถึงการปฏิบัติล่ามางั้นคือรเรียนมาถึงธรรมานุปัสสนาแล้วเราจะเห็นว่าไ้ปรินเยยยธรรมเนี่ยมันมากจนเรียกว่าโอ้ แล้วหมายความว่าทุกองคธรรมจะต้องมาทำปริญญาหมดถูกไหมครับที่ธรรมานุปัสสนาเ น, นี่ยเราก็แยกมาเฉพาะบางส่วนเท่านั้นเองเช่นจะเอาอนิวรก็มาเอาเจตสิกมาไม่ ก, กี่ตัวเอาห้าตัวเท่านั้นเองมาแต่ที่เหลืออีกตั้งสี่สิบกว่าตัวนี่ก็ยังมไม่พูดถึงเลยแล้วก็การทำปริญญาก็แตกต่างกันไปบ้างแต่ก็มีข้าวโครงที่เสนอมาใช่ไ ที่โดยโยกเอาตัวอย่างของอของนิวร์เนี่ยเอามาถ้าอย่างนี้เนี่ยนะอกุศลอื่นๆก็ลักษณะนี้ถูกไหมครับก็ถ้าพูดถึงนิวร์ก็เป็นหัวหน้าของอกุศลเจตสิกอื่นๆที่ไม่พูดถึงอยู่แล้วถ้าเป็นฝ่ายกุศลก็ต้องทาําต้องเอามาทำปริญญาด้วยโดยที่เอาโพ่อชงมาเป็นเอามาเป็ น, อาาปนพอเป็นเข้าโครว่า อ, อการทําปริญญาฝ่ายกุศลต้องเป็นอย่างนี้ ส่วนกุศลอย่างอื่นมีอีกเยอะแยะเลยก็ธรรมะที่โดยเฉพาะสางนิวร์เนี่ยจะไม่ใช่ปริญญาธรรมถ้าว่าให้ตรงเนี่ยสังขารักขันบางอย่างเป็นปหาตปรธรรมเป็นสิ่งที่ต้องเข้าไปจัดการถ้าว่านะแค่เรียนรู้เนี่ยไม่ถึงกับยากไอ้ที่ยากกว่าเรียนรู้ธรรมดาคือละอเนี่ยนะถ้าเป็นรูปนะรูปเรียนรู้เฉยๆมันคืออะไรง่ายไม่ยากนะ เช่นเอานะดูเช่นดูในนิ้วเนี่ยนิ้วมันมีกี่รูปอย่างเงี้ยนะก็ใคร่ครวนในเรื่องรูปไปนี่นะถ้าอย่างงี้ไม่ยากแต่บอกนี้นิวรณ์นะที่มีนิ้วเป็นอารมณ์เนี่ยเสร็จแล้วคุณต้องละมันด้วยนะถึงจะรู้ว่าเรียกว่าคุณรู้จักนิวรณ์จริงนี่นะอ่านี่ต้องละละนิวรณ์ได้ยังไงเสร็จแล้วบอกนี้โพชฌงนะคุณต้องไปเจริญมันให้มากนะเพราะโพชฌงในฐานะเป็นพาเวตประธรรมนี่นะแต่จะเป็นรูปเป็นปริ ญ, ญยยธรรมนี่ไม่ไม่ยากนะ กลุ่มที่เป็นถ้าว่าไปนะในทุกขสัพท์เนี่ยถือว่าหยาบ ก, กว่าเพื่อนเลยเรียนไม่ยากสมุทัยนี่เริ่มยากขึ้นมาอีกไอ้ที่ยากกว่านั้นคือมัจนะนะยากตรงเรียนก็ยากอยู่แล้วนะเจริญนี่ก็ยากขึ้นไปอีกแล้วที่สำคัญมากๆอย่างธรรมะเหล่านี้สำคัญตรงไหนสำคัญตรงที่ว่าเรามองสิ่งเหล่านี้อยู่ในพยัญชนะเป็นเป็นหลักเน่ะ ใช้คําว่าสัญญาปั๊บเราก็นึกถึงสเสือมห า, านากาศดับเบิลยอหญิงเนี่ยนะแล้วก็สระอาใช้คําว่าสังขารแล้วก็มห า, านากาศสเสือมห า, านากาศงองงอูองขอไขสระอาแล้วก็รอเรือเนี่ยนะเออในสังขารเนี่ยแหละแต่ตัวจริงๆมันอยู่ตรงไหนเราก็ไม่ค่อยได้ น, นึกอะไรเพราะว่าการประยุกต์สิ่งเหล่านี้ลงมาในชีวิตจริงๆอน้อยมากเมื่อน้อยเนี่ยธรรมะที่เรียนแล้วมันน่าเบื่อมันน่าเบื่อตรงนี้ คือพอเรียนไปเรียนไปเหมือนกันนั่งพูดถึงเงาที่ไหนสักแห่งก็ไม่รู้นะที่ที่ไหนก็ไม่รู้อะที่ที่พูดเนี่ยไม่รู้มันคืออะไรอย่างไงแต่ถ้าถ้าเราปรารกมากมากเลยนะนี้อ่าเช่นกายานุปัสนาเนี่ยถ้าเราศึกษามาอย่างละเอียดทั้งสิบสี่บพะนะมองทุกคนมีลมเป็นเบื้องต้นกระดูกแหลกเป็นถุยผงเป็นที่สุดนะฝึกคิดอย่างนี้ให้มันชํานานเลยอย่างนั้นแท้เรียกว่ามองเห็นใครก็คิดแต่อย่างนี้หมดอนะ ลมหายใจเป็นเบื้องต้นกระดูกแหลกเป็นผุยผงเป็นที่สุดเนี่ยนะอันนี้ถ้าเรียกว่าถ้าพูดแบบปบรัชานะหรือถ้าพูดแบบภูตรูปและอุปาทายรูปที่เดินมานี่มีภูตรูปอะไรบ้างที่นั่งอยู่เนี่ยมีภูตรูปอุปาทายรูปอะไรเกิดบ้างเนี่ยนะพี่เจรณาอย่างเนี้ยละเอียดค่อควรมากเลยนะจนเรียกว่าในอารมณ์ทั้งหลายที่เข้าไปเกี่ยวข้องอนะ่ะไม่มีอารมณ์ไหนที่ไม่ได้พิจารณาเังางั้นแท่พิจารณาทุกอารมณ์หมดเลย แต่ถ้าพิจารณาไว้อย่างนี้แล้วมาพูดเวทนาจะเข้าใจง่ายขึ้น น, นะว่ารูปนี้เป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนานะรูปอันนี้เป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนานะรูปอันนี้เป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาเวทนาถ้ามนัสิการแบบนี้แล้วโสมนัสเกิดโสมนัสอันนี้เป็นโสมนัสอาศัยเนคขมะแต่นี่ไป น, นึกชอบแบบอโยนี่โสมนัสกิการอันนี้โสมนัสอาศัยอามิตรแล้เนะ่ยนะ หรือว่าพิจารณาเอ๊ะนี่ไม่ชอบนึกไม่ชอบเฉยๆทั่วๆไปเอานี่อาศัยกามนะโทมนัตแบบนี้อาศัยกรรมหรือเห็นแล้วนึกทําไมเห็นคนนี้แล้วพิจารณาไม่บรรลุสักทีหนึ่งเอออันนี้อาศัยเนคขมมะอย่างงี้ยนะก็จะเริ่มมองออกขึ้นนะก็จะเข้าใจชัดในเวทนาทีนี้เอาแล้วเวทนาเหล่านี้มันอาศัยจิตไหนเกิดบ้างละ่ะก็ไข้ครวญถึงจิตเช่นว่าเมื่อรับรู้อารมณ์นี้แล้วจิตชนิดไหนเกิดขึ้นรับรู้อารมณ์นั้นบ้าง เช่นรูปารมณ์ น, นี้เนี่ยจิตชนิดไหนบ้างเช่นจิตมีราคะรู้อารมณ์นี้ไหมจิตปราศจากราคารู้อารมณ์นี้ไหมจิตมีโทสะรู้อารมณ์นี้ไหมจิตปราศจากโทสะมารู้อารมณ์นี้ไหมจิตมีโมหะรู้อารมณ์นี้ไหมหรือจิตปราศจากโมหะมามีสิ่งนี้เป็นอารมณ์ไหมก็จะเริ่มไข้ครวญละเอียดขึ้นละเอียดขึ้ น, อ ย, นอย่า น, นีพอไข้ครวญประมวลได้มาอย่างนี้ก็พิจารณาต่อไปไว่าเอนี่นี่โวคน ก็มาแยกแยกตัวนิวรณ์ที่เข้ามาเข้ามาแทรกกลุ่มรวมซึ่งการเข้าใจนิวรณ์เนี่ยธรรมะอื่นๆืนี่ต้องเข้าใจมาเป็นอย่างดีแล้วเห็นไหมถ้าอุปมาก็บอกว่าเขาเรียนเรื่องสรีระมาดีแล้วจึงจัดการกับโรคอ่ะ น, น, น, นะถ้าพูดแบบทางแพทย์หน่อยนะเพราะ ว, าว่าวิชาที่รักษาโรคน่าจะยากกว่าเรียนสรีระเฉยเฉยเหนไเพราะนิวรณ์ทั้งหลายมันเหมือนกับ ตัวโรคนั่นเองที่จะต้องเข้าไปจัดการเพราะถ้าจัดการผิดอ้าวนี่มันไปทำลายรูปนันเนี่ยไม่ได้รักษาโรคหรอกอ น, น, นก็ไปทำลายทีนี้อ้าวแล้วตัวยาเข้าไปอีกนะ ถ, ถ้าเทียบกับสิ่งที่ต้องละนะที่ยากกว่านั้นก็คือใส่ ย, ยาเข้าไปอีกอันนั้นก็ยากเข้าไปอีกนะเพราะเพราะชงทั้งหลายเหมือนกับยานั่นแหละนี่วอนทั้งหลายเหมือนกับโรคนั่นเองนะส่วนกายเวทนาจิตมันเหมือนกับส ร, ระร่างกายท่านั้น อ่าสังขารเป็นของสแสลงใช่เนี่ยะไปถึงกุฏินอนพักหนึ่งนึกได้ยนึกได้ไปเล่าบอกใครที่นั่นนันผู้ที่บำเพ็ญหรือพิจารณาธรรมะเหล่านี้ถ้ามองในแง่การเจริญการปฏิบัตินั้นจึงเป็นคนที่มีกิจน้อยมากเนี่ยะ พวกที่กิดมากๆพระหูกิจจาทั้งหลายเนี่ยคิดได้ไม่กี่คำหรอกใแค่อ่านให้หนังสือมันเนี่ยตาใจไม่ละจากหนังสือนี่ก็ถือว่าใครทำได้นี่ก็ถือว่าเก่งมากแล้วนะยไม่ใช่อ่านหน้าหนึ่งแล้วคิดไปตั้งเจ็ดเรื่องแล้วนะไม่ใช่อย่างนั้นเพระวิชาเกิดแล้วก็ทิศที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยแล้วมาอ่านต่ออีกคำหนึ่งแล้วคิดไปด้วยแล้วก็มาอ่านต่ออีกคำหนึ่งบอกธรรมะยากยากเหมือนั้น ใจแม้ก็อยู่กับเนื้อกับตัวเลยอ่ะในบรรดาธรรมะทั้งหลายเหล่านี้นี่นะคำว่านี้ความเกิดขึ้นของรูปนี้ความเกิดของเวทนานี้ความเกิดของสัญญานี้ความเกิดของสังขารนี้ความเกิดของวิญญาณกับคำว่านี้ความดับแห่งรูปนี้ความดับแห่งเวทนานี้ความดับแห่งสัญญานี้ความดับแห่งสังขารนี้ความดับแห่งวิญญาณ ถ้าโดยทั่วๆไปเนี่ยคำเหล่านี้เราจะคิดถึงอะไรเไหตั้งคำถามนี้นะเราจะคิดถึงอะไรอันนี้สงของการเปิดเรียนบัพพานี้ก็คือทำให้ไปคิดตรงนี้มากขึ้นเนไหเราจะคิดถึงอะไรอันนีน้สรุปรวมๆอันนี้ความเกิด ของขันห้า น, น่กับนี้ความดับของขันห้า น, น่อันนี้ว่ารวมๆก็คือนี้วัตตะพร้อมทั้งเหตุน่นะ น, นี้ก็ข่ากับนิวิวัตะพร้อมอริยมรรคเนี่ยนะคนที่จะเข้าใจคำว่านี้ความเกิดกับ น, นี้ความดับนะจะต้องมองพวกนี้ออก เนื้อคำบุการเลยเขามาถามเรื่องเกิดดับในเรื่องรูปนี่แหละบอกนี่มันจะเกิดเกิดเพราะปัจจัยอย่างนี้บอกกัท่านเอาไว้ก่อนเองี้ก็อยากจะถามหลายคนแต่ก่อนเข้าใจว่ายังไงคื อ, อผมกล่าวได้ว่าผู้ที่ศึกษาธรรมะนะแทบจะร้อยทั้งร้อยเลยนะถ้าพูดถึงการเกิดดับเนี่ยมันเกิดมันมันเกิดดับบ๊อบจริงๆเลย ใครไม่เคยเลยคิดถึงว่าตัวปัจจัยไม่เคยเข้ามาอยู่ในสมองเลยไม่มีนะผู้การเคยคิดไหมเกิ ด, เ ก, ดเกิดดับของน้ำรูปเนี่ยคืออะไรคือแบบนั้นใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วเพราะว่าเราได้รับการสอนมาแบบนั้นเคยไปคิดแบบนั้ น, แ, บบ น, นแล้วแล้วคิดแล้วคิดมันไม่ไปเพราะว่าหนึ่งนะเราพยายามคื อ, ค, อคือแรกๆเจริญนะ เราพยายามมองทุกอย่างให้มันเหมือนกับแตกระยิประยับระยิบระยับอยู่ตลอดพอคิดอย่างนี้มากๆเข้าแล้วไปอ่านคำเภี i, ทําไมมันไม่มีเหมือนอย่างที่เราคิดสักคําเลยในพระไตรปิฎกเพราะว่าตอนนั้นเริ่มคิดและเริ่มมองพยับแดดมาแล้วทรงจําเรื่องพยับแดดแล้วเรามาคิดพวกนี้ให้มันมากๆเข้ามันระยิบระยับระยิประยับไปหมดเลย <c oughs> คิดอย่างนี้มากๆขึ้นมากๆขึ้นเนี่ยนะแ ล, <ๆ>แล้วก็ไปอ่านพระไตรปิฎกกันนะอ่านก็สลับกันมาคิดอย่างนี้เสร็จแล้วอ ที่เราว่าทั้งหมดไม่มีเลยที่ในคัมภีร์ไม่มีสักคําเลยอะ่ะ ท, ที่มาแบบเราเนี่ยก็เลยเลิกคิดไอ้ไอที่สเสดีย น, นั้นแล้วก็มาค่อยๆ ค, ค, คนดูว่าเกิดดับของท่านเนี่ยท่านอาธิบายยังไงผมมาสงสัยตั้งแต่ศึกษาธรรมะตอนแรกๆเลยนะที่ที่วัดมหาธาตุนะคือผมได้ยินคำเนี้ยผมสงสัยผมเข้าไปถามอาจารย์เลยบอกอาจารย์ครับสาวิหารเนี่ยสาวสาราเนี่ย อมันเกิดดับยังไงครับมันเอะมันมันดับแล้วมันเกิดขึ้นมาใหม่วู่ว่าแบนอย่างนั้นเลยนะเขาไปถามอย่างนั้นเลยนะด้วยความสงสัยมันมันมันดับไปยังไงเนี่ยแล้วมันเกิดยังไงเนี่ยผมคิดว่าสาวเกิดดับอย่างนั้นเลยจริงเหมือนอย่างที่เราคิดว่าภาพมันเกิดก็ต้องงูขึ้นมาถ้ามันดับก็ต้องหายไปทั้มนอนนั่นใช่ไหมฮะนันที่เป็นความสงสัยมันนานแต่ก็ได้รับคำตอบที่ทำไมก็เข้าไปใน ที่ตรงไหนที่เขาเปิดไฟกับพิ่มมากๆเพิบมติงก็เกิดเพิ่หนึ่งก็ดับใช่เกิดดับเกิดดับเกิดดับก็นั่งท่องเออนี่เกิดดับเกิดดับเกิดดับสงสัยจะได้มา้งหลายคนขำตายเลยนะไอเจ้านี่มันจะคิดอะไรอยู่เนี่ยล้วยังยังยังยังมีผู้อธิบายบอกว่าเอ้าคุณเรียนวิทยาศาสตร์มาเนี่ยไฟเนี่ยมันเกิดดับเนี่ยจีน กี่รอบต่อนาทีกี่รอบต่อวินาทีเนี่ยนั่นแหละเหมือนกันเลย เ, เพราะ<ส>มันเกิดดับเร็วมากเพราะฉะนั้นจึงความเป็นสามันยังคงอยู่เราเชื่อเลยเหตุผลใช้ได้ทาทาสัตยธรรมะแต่ทีนี้ว่าเกิดดับของท่านกับของเราเนี่ยคนละอย่างกันเพราะไอ้เกิดดับของเราเนี่ยนะมมาเคยตั้งคำถามสงสัยว่าถ้าเห็นเกิดดับอย่างนั้นเป็นการเห็นคำสอน เป็นการเห็นธรรมะทำไมนักวิทยาศาสตร์ไม่มีพระอริยะอยู่ในนั้นเลย ท, ที่เฉพาะที่เรารู้จักนะี่นิยะตรงกันข้ามมิจฉาทิฐิด้วยซ้ําไปนี่นะศีลธรรมก็ไม่ใช่ดีอะไรนี่นะกลับและทำไมเกิดดับในคัมภีอ่ะท่านเป็นนาบุญของโลกนะมันต่างกันตรงไหนอย่างนี้นียก็อันนี้ก็ทําให้เรามาคิดซึ่งพอมาคิดอย่างนี้เราก็ค้นกระต่ายบิดกไปเรื่อยนะพะมาเป็นคนที่สงสัยมาก ถ้าถ้าปกติเนี่ยถ้าถ้ามีคนสอนนะสงสัยเรามีอะไรให้ถามเนี่ยมอบแต่ว่าตอนหลังก็เก็บไอสิ่งที่เราจะถามออกไปเพราะว่าถ้าถามห ล, ลายเรื่องไม่มีใครตอบเราได้เราก็เลยลืมไอที่เราจะถามแล้วก็มาค่อยค่อยคนเอาเนี่ยนะก็ใช้วิธีนี้ค่อนข้างมากก็จะไม่ให้เชื่ อ, อยังไงครับก็ <c oughs> ยังมีตัวอย่างว่าเวลาเกิดดับ ม, มันบูบหน้าบูบหลังเ่ยผงาหน้าพงาหลังอะไรเงี้ย <c oughs> หรือเหมือนตก หลุมตกอะไรเนี่ยเหมือนตกจากที่สูงอะไรเนี่ยก็ยกตัวอย่างขึ้นมาเห็นนะนั่นแหละการเกิดดับอย่างเงี้ยเราเราไม่มีไม่มีความดันมันลดวูบขึ้นมาเลยนะเราเชื่อเลยซึ่งไม่ควรเลือก็มันอสิ่งไหนที่ไม่มีในคำสอนนะมันไม่ควรต่อการเพ่งแต่ถ้าถ้าทั่วๆ่วไปนะถ้าไม่คิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสาระมากนกันนะก็จะไม่ค่อยมีปัญหา แต่ถ้าเราพูดถึงสัมมณะเพศทั้งหลายผู้ที่บวชเข้ามาแล้วมาประกอบอาชีพนี้ตรงๆเลยนะจะรู้ว่าถ้าความคิดบางอย่างเส้นเขาคิดเล่นๆอ่ะไม่เป็นไรอ่ะนะมันเหมือนกับของสนุกๆจริงๆอ่ะนะเช่นมานั่งคิดเกิดดาวมันไม่เที่ยงแล้วก็ขำไปอะไรไปก็ธรรมดาไปไม่มีอะไรแต่ถ้าถ้าพูดถึงว่าเอ้ามาประกอบอาชีพนี้เลยแล้วมาเห็นอย่างนี้ให้มันเกิดอะไรให้มันมีคู่ควรแก่การยกง่ายๆกับคู่ควรแก่การฉันข้าวเขาหน่อยอ่ะนะ มันไม่ได้สิเพราะมันคิดไปคิดมามันไม่เข้าอะไรเลยสักอย่างไม่เข้ากับคําสอนหนักๆเข้าก็ห่างคําสอนไปเรื่อยแต่นี่ลองมาฟังดูสักสูตรหนึ่งว่าเกิดดับอย่างเดียวกันเนี่ยแต่ว่าในพระพุทธพจน์นี่อธิบายไม่เหมือนกับที่เขาอธิบายอยู่แล้วในยุคนี้นีในยุคนี้อธิบายกับพระพุทธพจน์นี่คนละอย่างกันอย่างเช่นในสังยุตตานิายขันธวารวัต จริงๆแล้วจะเอามาค่อยๆว่าไปตามลำดับสูตรไปเรื่อยๆแต่นี่พูดถึงไอ้ความเกิดดับอย่างนี้เลยก็เลยขึ้นรัดมาหนึ่งสูตรก่อนนะเพื่อให้เห็นพอเป็นตัวอย่างว่าสมาธิสูตรข้อยี่สิบเจ็ดเล่มยี่สบเจ็ดด้วยนะข้อย7สิบเจ็ดด้วยแต่หน้าสามสิบเจ็ด สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถาบินทิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแหลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียบพิสูจนทั้งหลายว่าดูก่อนภิสูุทั้งหลายภิสูุเหล่านั้นก็ทูลรับพระดำรัสแล้วนีนะว่าพระเจ้าค่านี่นะพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ตรัสว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธินะให้ให้ไปเจริญสมาธินะ บอกว่าเพราะภิกษุกลุ่มที่ฟังอยู่เนี่ยละเลยในการเจริจรญอธิจิตติกขาพราะองค์ก็เลยบอกตรงๆ น, นะบอกตรงตัวเลยว่าให้เธอไปเจริญสมาธินะภิกษุมีจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงเนี่ยนะเขบอกว่าถ้าจิตตั้งมั่นจะรู้เห็นตามเป็นจริงไงสมาหิโตยถาภูตังปชานาติเนี่ยนะ ก็ภิกษุย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงอย่างไรนะย่อมชัดย่อมรู้ชัดซึ่งความเกิดและความดับแห่งรูปนะย่อมรู้ชัดความเกิดและความดับแห่งเวทนาย่อมรู้ชัดความเกิดและความดับแห่งสัญญาย่อมรู้ชัดความเกิดและความดับแห่งสังขารความเกิดและความดับแห่งวิญญาณนะก็เหมือนกับสูตรที่เราเรียนไปเมื่อกี้ เพียงแต่ว่ารูปแบบการแปลหรือรูปแบบการเรียงประโยคแตกต่างแต่อัถมไม่มีความต่างเลยเช่นใช้คําว่ารู้ชัดความเกิดและความดับแห่งรูปกับคําว่านี้ความเกิดแห่งรูปนี้ความดับแห่งรูปนะจริงก็คือสิ่งเดียวกันตรงนี้บอกว่าความเกิดและความดับแห่งเวทนาก็บอกนี้ความเกิดเวทนานี้ความดับเวทนาดูก่อนพิสูจนทั้งหลายก็อะไรเป็นความเกิดแห่งรูป อะไรเป็นความเกิดแห่งเวทนาะอะไรเป็นความเกิดแห่งสัญญาอะไรเป็นความเกิดแห่งสังขารอะไรเป็นความเกิดแห่งวิญญาณเนี่ยนะมันเกิดได้ยังไงว่งั้นเถอะทำไมมันจึงเกิดดูก่อนพี่สูตทั้งหลายบุคคลในโลกนี้ย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำถึงย่อมดื่มดั่งเรียกว่าเข้าไปกลืนเลยว่างั้นก็บุคคลย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำถึงย่อมดื่มดั่งอยู่ซึ่งอะไร ย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำถึงย่อมดื่มดำอยู่ซึ่งรูปเมื่อเพลิดเพลินพร่ำถึงดื่มดำอยู่ซึ่งรูปความยินดีก็เกิดขึ้นความยินดีในรูปนั่นเป็นอุปาทานเพราะอุปาทานของบุคคล น, นั้นเป็นปัจจัยจึงมีพบเพราะพพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณโศกปริเทวทุกโทมานัตและอุปาญาตความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวล น, นั้น ย่อมมีด้วยประการชนี้อันนี้คือความเกิดของรูปนะก็คือปฏิจจสมุปบาทสมุทัยวาระนี่มองออกตลอดสายเนี่ยนะก็สูตรเขามียังไงนะครั้งก่อนๆถ้าพูดอีกวิธีหนึ่งนะถ้าเพลดิดเพลินในสีเป็นปัจจัยเพื่อให้มีจักสุต่อไปเพลดิดเพลินในเสียงเป็นปัใจจัยให้มีหูต่อไปเพลดิดเพลินในกลิ่นเป็นปัใจจัยให้มี จมูกต่อไปเพลิดเพลินในรถเป็นปัจจัยให้มีลิ้นต่อไปเพลิดเพลินในโพธภะเนี่ยนะอากาศตอนนี้กําลังดีนะอันนี้นเป็นปัจจัยให้มีกายต่อไปเนี่ยนะความเพลิดเพลินเช่นในเรื่องเพศตรงข้ามเป็นต้นนะพวกเนี้เป็นปัจจัยให้มีเรื่องเพศ ต, ต่อไปเนี่ยนะหรือเพลิดเพลินในธรรมารมณ์ที่เป็นรูปหลายๆส่วนก็เป็นปัจจัยให้รูปทั้งหลายที่เป็นธรรมารมเนี่ยเกิดขึ้นต่อไปเนี่ยนะ เพราะอะไรเพราะความเพลิดเพลินเนี่ยนะคือเหตุเกิดของของรูปหรือความเกิดของรูปอย่างแท้จริงเพราะคำว่าเกิดในคำสอนไม่ใช่อะไรที่มันผุดขึ้นมาลอยๆยใช่ไมไม่ใช่อธิจะสมุปป น, นะคือเกิดขึ้นลอยลอยไม่ใช่คำสอนไม่ใช่คำสอนพูดถึงสมุ ท, ทยัยพูดถึงความเกิดของสิ่งเหล่านี้ น, นะถ้าพูดง่ายง่ายว่า ชีวิตของเราที่มานั่งกันอยู่นี่เพราะเพลิดเพลินรูปในอดีตเหมอนนเะอดีตชาตินะเพราะไอ้เพลิดเพลินตันหาในอดีตอะที่เพลิดเพลินจึงมานั่งกันอยู่อย่างนี้ถึงมามีรูปมีองค์ประกอบอย่างนี้แล้วชาตินี้ล่ะมาเพลิดเพลินในรูปตลอดถึงไอ้ที่เราไม่ชอบก็ไม่ชอบเพราะชอบมาก่อนนั่นแหละเพราะชอบอย่างอื่นมันเลยไม่ชอบบางอย่างแต่ก็ถือไอ้ความไม่ชอบก็เป็นผลของความชอบไม่ใช่เบื่อหน่ายอะไรหรอกนะไม่ได้เห็นโทษเพราะฉะนั้น ว่าโดยรวมๆก็คือชอบรูปเพื่ออะไรเพื่อให้มีรูปต่อไปนั่นแหละวงจรอันนี้มันจะเป็นอย่างนี้นั่นแหละถ้าตันหาเนี่ยท่านบอกว่าเป็นนายทุนที่เหมืนเฮียมโหดมากนั่นแหละที่พระ อ, องค์บอกว่าค่าทิ้งซะแล้ววงจรอันนี้มันจะเรียกว่าปิดบัญชีสถีหนึ่งได้นะถ้าถ้ามองระบบแบบการกู้ยืมเนี่ยนะระบบกู้ยืมที่นายทุนหน้าเลือดทั้งหลายแหละเนี่ยตันหาเนี่ยหน้าเลือดที่สุดอะ ด, ดูนะเพลิดเพลินหนึ่งครั้งแล้วทํากรรมหนึ่งทีอะ่ะมันบางทีมันให้ผลหลายกลับอย่างเงี้ยนะบางอย่างมันให้ผลเป็นกลับกับอย่างเงี้ยนะโอ้โหมันโหดมากนั่นเลยมันก็ถ้าจะกล่าวให้เต็มว่าเหตุเกิดของรูปคืออะไรความเกิดของรูปคืออะไรก็คือตัณหานั่นแหละแกว่าความเพลิดเพลินเพราะความเพลิดเพลินในรูปเกิดอ่า ความยินดีในรูปอันนั้นแหละเป็นอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพบใช่ไหม<อ>ก็เห็นหน้าใครมั่งเราไม่ทักทายเลยนะอดวจีกรรมได้ไหมไม่ได้ถ้ามีการจับมือถือแขนเป็นด้วยอากายกรรมยกมือสวัสดีก็เป็นกายกรรมหมดนะนึกคิดถึงอันนั้นเห็นแล้วอุตสาหแก้งไม่ไม่จะไม่ไม่พูดด้วยนะไม่ทักทายเละหลบๆทําทเป็นไม่เห็นเยนยเนี่ยก็คิดถึงอีกอันนั้นก็เป็นมโนกรรมอันนั้นแหละพบ พบมันนั่นแหละเป็นปัจจัยจึงมีชาติเนี่ยนะก็เป็นปัจจัยจึงมีชาติต่อไปเพราะฉะนั้นวัตตะมันเกิดอย่างนี้แหละนี่เรียกว่าความเกิดแห่งแห่งรูปเนี่ยนะนความเกิดแห่งรูป<ม>บุคคลย่อมเพลิดเพลินซึ่งเวทนาเมื่อเพลิดเพลินก็พร่ำถึงแล้วก็ดื่มดำอยู่ซึ่งเวทนาความยินดีก็เกิดขึ้นนะนะ ความยินดีในเวทนาอันนั้นแหละเป็นอุปาทานเพราะอุปาทานของบุคคล น, นั้นเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะโซกะปริเทวะทุกโทมณตและอุปาญาตความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวลนั้นย่อมมีด้วยประการชนิดเนี่ละก็คือว่าง่ายๆก็คือความเพลดิดเพลินในเวทนานั่นแหละเป็นการสร้างเวทนาเนี่ยไง ก็พอลืมตามองเห็นเราเพลิดเพลินในสุขที่เกิดจากการเห็นสุขที่เกิดจากการได้ยินรู้กลิ่นรู้รสรู้โภตาภารู้ธรรมารมณ์เนี่ยนะความเพลิดเพลินในความสุขเหล่านี้มันเป็นเหตุแห่งเวทนาต่อไปแต่ว่าจะได้เวทนาอย่างไงเนี่ยมันจะไม่ได้อยู่ที่เพลิดเพลินนะอยู่ที่ที่กรรมนั่นนะย่อมเพลิดเพลินซึ่งสัญญาเนี่ยนะ เพลิดเพลินพร่ำถึงดื่มด่ำอยู่ซึ่งสัญญาเนี่ยนะเมื่อเพลิดเพลินพร่ำถึงดื่มด่ำอยู่ซึ่งสัญญาความยินดีก็เกิดขึ้นความยินดีในสัญญานั่นเป็นอุปาทานเนี่ยนะพวกที่เช่นรูปสัญญาสัท ธ, ธสัญญาหรือผู้ที่เจริญชานนเน้นหนักสัญญานะีความเพลิดเพลินในสัญญานั่นแหละเป็นอุปาทาน เพราะอุปาทานของบุคคล น, นั้นเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะโสกปริเทวะทุกขโทมณัตและอุปาญาตความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวลย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้นะย่อมเพลิดเพลินซึ่งสังขาร น, น, นะนะเช่นเพลิดเพลินในตัณหานะบุคคลเ น, นี่ยมีตัณหาแล้วก็เพลิดเพลินในตัณหาอีกครั้งหนึ่ง น, นะความเพลิดเพลิน หรือพร่ำถึงดื่มดําอยู่ซึ่งสังขารความยินดีก็เกิดขึ้นความยินดีในสังขารนั่นเป็นอุปาทานนะคือแม้กระทั่งยินดีสังขารอะไรก็ช่างเถอะที่เป็นสังขารรักเนี่ยนะพระอุปาทานของบุคคล น, นั้นเป็นปัจจัยจึงมีเ พ, พราะพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมณตและอุปาญาตความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวลนั้นย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ นะนะบุคคลย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำถึงย่อมดื่มดำอยู่ซึ่งวิญญาณนะนะเพลิดเพลินในการเห็นการได้ยินการนึกคิดเป็นต้นเนี่ยนะก็เพลิดเพลินในในวิญญาณเมื่อเพลิดเพลินพร่ำถึงดื่มดำอยู่ซึ่งวิญญาณความยินดีย่อมเกิดขึ้นความยินดีในวิญญาณนั่นเป็นอุปาทานเพราะอุปาทานของบุคคลนั้นเป็นปัจจัยจึงมีภพ เพราะพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามอรณ์โสกาปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปาญาตความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ดูก่อนพิสูจนทั้งหลายนี่เป็นความเกิดแห่งรูปนี่เป็นความเกิดแห่งเวทนานี่เป็นความเกิดขึ้นแห่งสัญญานี่เป็นความเกิดแห่งสังขารนี่เป็นความเกิดแห่งวิญญาณ เพราะฉะนั้นที่มีขันห้าในปัจจุบันที่มานั่งกันอยู่นี้นะแสดงว่าอดีตนี่ไม่ธรรมดานะเอาหมดอล้นะมีรูปก็ชอบรูปมีเวทนาก็ชอบเวทนาชอบสัญญาชอบสังขารชอบวิญญาณชอบไว้หมดเลยนะก็เลยให้เนี่ยผลของความชอบแต่ดีกุศลกรรมนําเกิดก็เลยให้เป็นมนุษย์ไปทีนี้ชาตินี้ไม่ค่อยว่างเว้นนะชอบหมดอีกเหมือนกันขันก็รูปก็ชอบเวทนาก็ชอบสัญญาก็ชอบสังขารก็ชอบวิญญาณก็ชอบ อ่ะ น, นะไม่ชอบคนอื่นก็ชอบของตัวเองอะ น, นะอันนั้นแหละเป็นเหตุเพื่อจะให้มีขันขั น, ข, นของเราไม่ค่อยลดสักขันใช่ไหมไม่คือเขาถ้าเขาจะลดนะเขาจะลดอย่างนี้เช่นบางคนเนี่ยลดรูปขันทิ้งหมดเลยเกิดเป็นรูปประพรมบางพวกลดนามทิ้งหมดเลยก็เป็นอสัญญาัตตาพรมถ้าลดทั้งรูปทั้งนามทิ้งหมดเลยก็เป็นพระธาหันแต่ของเราก็ไม่ค่อยรับหมด นี่ทำมีขันที่หกไรจะเอาด้วยมั้งก็สงสัยตรงที่เป็นสังขารขันเนี่ยฮรคือถ้าเป็นฝ่ายถ้าเป็นฝ่ายกุศลนะถ้าเป็นขันที่เป็นกุศลนะก็ก็ไม่สงสัยว่าตันหาเน่ะมันมันชอบได้ ม, มันชอบได้แต่ถ้าเกิดว่าไอตัวอื่นเนี่ยครับมันเช่ น, นิวรณ์หรือ อ, อะไรเนี่ยนะเอา hey, จริง้งๆนะเราเราชอบนิวรณ์มากกว่าชอบกุศลเชื่อไหมเช่นนะ เราชอบ mble. สมมุติถ้าถ้าเราจะเกี่ยว like ขั้นเกี่ยวข้องคนเนี่ยนะก็คือคนที่มีการมาฉันท่านนิวรณ์กับเรานั่นแหละเราจึงชอบจึงชอบคบครบกัคบุคคลที่เรามีการมาฉันท่านนิวรณ์ด้วยอย่างหนึ่งเราก็ชอบคิดถึงอะไรก็ได้ที่มันเป็นการมาฉันท่านนิวรณ์เนี่ยเป็นเป็นปัจจัยก็เว้นตัวนั้นครับก็อนิวรณ์ที่เหลือเนี่ยนะชพยาบาทเป็นผลของการมาฉันทะ พยาบาทพยาปาท่านิวอนเป็นผลของการมาฉันท่านิวรนเช่นเรากําลังเพลดิดเพลินกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งอยู่นะแล้วมันมีอะไรมาตัดรอนไม่ให้เราได้เกี่ยวข้องกับบุคคลนี้อันนั้นแหละที่ตั้งของพยาบาทนิวอนหรือเราสมมติกำลังเปิดเพลงฟังเพลงเพราะๆอยู่นะกำลังเจริญการมฉันท่านิวอนนฝะกไฟมันดับขึ้นมาเนี่ยนะหรืออะไรมันเกี่ยวข้องกับสิ่งนี้เราก็จะไม่ค่อยชอบอันนั้นที่มาของพยาบาทนิวอนให้รู้เถอว่า อะไรถ้าไม่เกิดจากผลพวงของกามฉันทะไว้นะมันจะไม่เสียใจตั้งคําถามว่าหลายๆแห่งเนี่ยถูกระเบิดบอมกันเลเทโมเลนนะเราไม่ได้ไปมีกา ร, รมฉันทะในวัตถุนั้นอนะ่ะถามว่ามีพยาบาทนิวรนเกิดในนั้นไหมมีไหมไม่มีอธิตยึกเวิร์กเทรเสียหายเลยนะทุกหลายๆคนที่อยู่นั่งอยู่ที่นี่มีพยาบาทนิวรนเกิดขึ้นไหมว่าออื เสียใจายมากอะนะศูญเสียไปเยอะแยะเลยนะนึกทีไรแล้วก็เศร้าทุกทีนะยมน้อยก็บอกจะเฉยๆเลยบางอันนอะขนาดอยู่อเมริกาตั้งนานแล้ววัตถุใดก็ตามที่เราไปเครียดด้วยไปโทสะไปพยาบาทนิวรณ์เกิดขึ้นเนี่ยนะที่เรียกว่าไปเครียดนะนะกับสิ่งใดให้รู้ว่าในสิ่งนั้ น, นะเรามีการมฉชันท่านิวรณ์แล้วอันนี้คือกำไรของการมาชันทะ